ไอ้พวกได้ฟังว่าอาจารย์สุริยาทราบว่าหลวงพ่อมาอยู่โรงพยาบาลบอกให้หนูมาดูแลหลวงพ่อโอ้ยชื่นใจเ็าเรียกว่าสาบด้านใจของพวกเราที่ที่นี่ไปถึงหลวงพ่อที่อยู่หวงพจุฬาหรือหลายคนในคนไทยทั้งชาติวันนี้อาจารย์ให้หลวงพ่อมาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟัง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 โถเรายี่สิบสามสปีไม่เคยมารู้เรื่องนี้เลยก็ตือลือลน้นพอลู้โดยเฉพาะจ้างัางห ว, งวนะสิบสี่จังหวะรู้หนึ่งรู้หนึ่งรู้ึงมันเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บพอเหมือนเราเจ็บกันเจ็บของก็ได้มากขึ้นอย่างจริงรู้แต่ละครั้งการยกเบอร์้างจังหวะนะ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 จังหวะหนวินาทีหรือชาว่า น, นิตร์ชั่วโมง1นึหกสิวินาทีเออเท่าไหร่สามร้อยหกามร้อยหกสวินาทีรู้ชั่วโมงหนึงอ้าว 3,000 นก็ไม่รู้เอาคิดเอาจีชั่วโมง1มันจะได้กี่รู้ลองดูฮะพิสูจนกันดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเรา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 เอาถ้างอกว่าสอดใจปากเ็เด อ, อแต่ไม่รู้จักว่าเราหายใจนะห้องไอซียูหลวงปู่นุลาคนหมอฟันทิพย์เนี่ยมานี่เป็นผู้ช่วยดูแลหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลามีสติแล้วหรืออยู่มีหรื อ, อยงพวกเราพวกทุกข์ก็เป็นของเราเหรออะไรเป็นเราทั้งหมดเหรอเรายกมือชั่งกันกายเป็นเราเหรือกาย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 เป็นน้าอบูนใจเราพ่อเคยมาที่สมัยสิบกว่สี่สิบกว่าปีมหาอาจารย์สมัยบวชใหม่ท่าขามก็เคยไปอยู่แถบนี่มาหมดพอาจารย์นัก ร, ราษาต่างๆมาหมดเลยหลังจากศึกษาหลวงพอเทียนแล้วพระกามปชาที่ไหนเขาสนกันจากกันไปดูสิมหาโลเออผ่านไปมาอยู่ขึ้นึสองคืนผ่านไปผ่านไปผ่านไป